เป็นไปพวกเคอเร์มความใจลอนไถ่เดียวไม่มีความสุขฉันสอนไม่ได้นี่นการประชุมเพื่อเพื่อทำนี่นนมีแคบัต่ไม่มีจําดน้อยนัก ควาว่าาสนารับปฏิบัติไม่มีมีแต่ความจดจำตามคำพิมพ์เนลานทำเรื่องอนไรเป็นการจดจำแต่ไม่ตัางใจปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อายประโยชนจริงๆเกิดกับกา ร, ก ป, รปฏิบัติมีทุกองที่มาอยู่ที่นี่ผมก็พ ย, ยายามให้การอบรม โดยสม่ำเสมอทั้งทั้งที่สุขภาพไม่ดีแต่ความมุ่งสาหรับพระจรับประโยชน์เกี่ยวกับการมาอบรมมาศึกษาหลวงก็ผมผมก็ยั่งยำเต็มกั่กาลังความสามารถอยากเห็นอยากรู้มองฆาคูปฏิบัติด้วยความจริงใจได้รู้ได้เห็นทำแง่ต่างๆ เกิดขึ้นภายในใจเพราะการปฏิบัติของตนจนกระ่สมาธิือความสงบเยือกเย็นของใจันถึงปัญญาขั้นต่างๆหาวิสุดท้ายก็คือยิมุติุกพนจะนอกเหนือสีปัญญาอันอบรมมาด้วยดีแล้วหรือเต็มภูมิแล้วไปไม่ได้ พยายามผิดกันสิ่งต่างๆแต่เพราะอย่างยิ่งคือด้านวัตถุที่จะก็มาทำลายจิตใจอัดต ร, รมของพระเึ่ง ป, ปฏิบัติอยู่ในสำนับนี้เรื่อยมาอันใดไม่ควรที่จะรับเราไม่รับให้จต่ควรรับถึงจะรับให้ทำก็ยดีมาให้ก็ดี ไหนไม่ควรคิดแล้วว่าผลความเสียหามันจะเกิดมีขึ้นากับการรับสิ่ง น, นี้สิ่ง น, นี้มีอยู่อันนี้ก็ไม่รับสิ่งเก้าอี้หน่งเก็าอี้รับแขกรับคนมาถวายเราก็ไม่รับโทรทัศเทวทัศวิทยุอันนี้โอ้หถ้าจะเอามันสักเท่าไหร่ในวัด น, นี้ ที่ขเครื่องะเต็มวัดนมีอะไรเนี่ยคอยตามโครงการในเรื่เวลาของโครงการเยอะกว่ากันของเราเวลานั้นมีนั้นเวลานั้นมีนั้นเวลานั้นมนั้นนั่นแหละเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นการเป็นงานจริงๆของกระหรือเป็นโลกลุ้นล้วนไปเลยลนล้วนทําลายจิตใจล้วนล้วนทําลายธรรมล้วนไปเลยมีกีดกันมากทีเดียวนี่ ถึงกับพูดที่ผู้ที่เขามีตกทายเขาจะมาถวายโงจะปลาเข้าป่านะถ้าอยากให้เข้าป่าแล้วก็เอาไปถวายว่าทงขนาดนี่นะผมคือลงเด็ดๆแต่ว่าขนาดนั้นเพราะอันนี้เป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงมากในวงพระแล้วงปฏิบัติทุทรัพย์วิทยุามาไม่เอามาไม่ไี้เรานมัสจะว่ามากรถโดน เอาเอาคันชนิดไหนไมว่ารถเต็มรถแรงรถจี๊รถโขกรถอะไรก็แล้วแต่ถูกขอะระล่านปากออกไปว่าเอามันจะมาทันทีแล้วก็บอกชัดๆเลยบอกเราไม่เอาเพราะไม่ใช่ก็มาถานรถโดนพระพุทธเจ้าไม่จงเห็นความสำคัญของสิ่งอย่างนี้ยิ่งกว่าการปฏิบัติตามหลักธรรมลับนี้นายโดยแท้ นี่จะเป็นสิ่งที่ขอความผู้เพิ่มเหินๆดึงเนือ้อดึงตัวแก่พระและขอความจะหายแก่พระได้ลูกขี่ลูกหามีเต็มบ้านเต็มเมืองจากแต่รถคันไหนติดต่อกับใครก็ได้ที่เราจะไปธุรานั้นนี้ถึงแม่จําเป็นจะต้องเอารถโดยมาอวดโลกเขาคืองเหล่านี้นโลกนี้เขามีเต็มไปหมแล้วทําทไม่เกี่ยวข้องกับเหนือนี้จะนําเอามาแข่งเขาได้อย่างไงเอามาแข่งก็ได้ลงคอยอะไหรือ ใครอยากมานะตาเข้าป่าให้หมดหมบนี้เลยม่ใชเรื่องของพระนั่นแล้วจะไปเห็นเป็นอกเตงใจคนถ่ายดีโอแล้วอารมณ์เขาทั้งนักตะโกนก็อยากได้อยู่บ้างอย่างนี้ไม่ได้ความอยากนั้นมันมีเหตุมีผลอะไรอยู่ไหมความอยากนี้ส่วนมากเป็นพื้นเพของกิเลสพาให้อยากไม่ใช่พื้นเพของธรรมเราต้องตี ไม่คิดไม่ได้ผู้ปฏิบัตินักปฏิบัติไม่ใค่อยควรนักปฏิบัติให้ฉลาดเราจะอะไรไปสอนโลกให้มีความเฉยชาจะไปสอนโลกให้มีความคิดอ่านใจจอมให้รอบครอบในกิจการหน้าที่ต่างๆได้อย่างไรหลักของศาสนาออกมาจากจอมปราดท่านผู้ฉลาดแหลมคมคือพระพุทธเจ้าการครองน่าจะสมบัติ ก็ค so ือความเป็นพระเจ้าพผ่นดินปกครองประเทศข้างบ้านมืองมาถึง13ปีจะไม่ทรงคำนี้ํำนานคล่องแคล่วเรื่องราวของโลกได้อย่างไรออกมาประรงเสด็จออกทรงพันนวดทรงปฏิบัติพระองค์อยู่ถึง6ปีถึงขั้นกรบสลายแทบล้มแทบตายเดินตายจนไม้กลับเข้าสั ในขนาดที่ทงคนคิดอัดรำทั้งหลายอยู่นั้นก็สุดถ้ากําลังความสามารถจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาถ้าสติปัญญาไม่ฉลาดแหลมคมจริงๆสมควรที่จะเป็นสัพพัอยู่สมควรที่จะเป็นศาสนาของโลกแล้วจะเป็นศาสนาของโลกและตรัสรู้รมได้อย่างไรเพราะกิเลสมีความละเอียดแหลมคมมาก ในใจโลกธาตุนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะฉลาดและคมยิ่งกว่าทิเหล็กที่เหลยกเป็นเจ้าโลกทั้งนั้นเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงปราบที่เหล็กได้ลงอย่างราบคาบไม่มีสิ่งเหล็กตัวใดเหลืออยู่ในพระไัยแม่นิดหนึ่งเลยถ้าไม่จงเฉลียวฉลาดเหนือกิเหล็กซึ่งเป็นเจ้าความวัตจักรแล้วจะจงปราบทิเหล็ได้อย่างไร ้จะเป็นศาสนาสอนโลกได้อย่างไรคนโง่โง่ผมเป็นคนฉลาดภูมิของพระพุทธเจ้าเป็นภูมิที่มหาปัญญาเหมือนท้องฟ้ามหาสมุทรสุดซาครไม่มีสิ่งใดสมมุตเหมือนความรู้ความสามารถครบรีชาทุกอย่างทุกด้านไม่ว่าภายนอกภายในเป็นสิ่งที่พร้อมมูลในพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์นั่น ช, ชื่อว่าจอมตัด นำศาสนามาสอนโลกจะสอนด้วยความโมง่เง่าเขาปัญญาได้ยังไงต้องสอนด้วยความเฉลียวฉลาดแหลมคมทุกแง่ทุกมุมไม่ว่ากิจนอกกันในไม่ว่าเรื่องสีไม่ว่าสมาธิเช่นอย่างสอนพระไม่ว่าปัญญาจะทรงแยกแยะให้เข้าใจทุกแง่ทุกกระทงไปแั้วสอนโลกก็ไม่อัน้นสอนประชาชนสอนพระก็ไม่อัน้นเพราะ ความรู้เหมือนท้องฟ้ามาหาสมุทรไม่มีใครที่จะเสมอเหมือนได้ศาสนาที่ยังทรงยังมีอยู่นี้ก็ อ, ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพุธพธิจารเป็นมุนโตกถ่ายอมาถึงพวกเรานี้แม้จะไม่สมบูรณ์แบบยังที่พระองค์ท่านสอนจริงจริงก็ออยังเป็นแนวทางอันดีงามให้เราทั้งหลายได้มาคุยปฏิบัติอยู่นี่ก็คือออกมาจากจอมปรา สอนให้คนเฉียบฉลาดเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติธรรมคือพระกรรมฐานเ่าแล้วจึงพูดสเสมอพูดแล้วพูดเล่าพูดซ้ำๆสัต่กากถึงเรื่องสติปัญญาความรอบพอบความเฉียบฉลาดความกต่จอจให้รู้เหตุรู้ผลรอบตัวและรอบจิตการงานต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับตนไม่ให้บกพร่อง ก็คือให้มีความฉลาดแหลมคมตามทางของศ า, ศาสดาที่ส่งสอนไว้แม้จะไม่ เ, เป็นแบบศ า, ศาสดาก็ตามก็อยู่ในเจือนแห่งลูกศิษย์ที่มีคือสอนเราจึงอยากได้ยินได้ฟังเหลือเกินจากหมู่คณะที่ประพฤติปฏิบัติภาวนาอยากใครมีผลอย่างไรบ้างมาอยู่ด้วยนี่ก็เป็นเวลาหลายปีหลายเดือนคอง เราได้ตั้งหน้าตั้งตาสั่งสอนอบรมเรื่อยมาไม่เคยทอดทุเลสำหรับพระเนรเราถือเป็นกรณีพิเศษและเป็นกิดที่สนใจมากยิ่งกว่าประชาชนทั่วๆไป <c oughs> เพื่อจะให้รู้ให้เข้าใจเพราะพระนี้พร้อมแล้วทุกอย่างทั้งการปฏิบัติก็พร้อมเ้าไม่มีสิ่งยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนคารวาดซึ่งมีติดบ้านการเรือนกี้อยแพันประการ ถ้าเรามีหน้าที่อันเดียวตั้งแต่การเดินจงกรมหน้าสมาธิถวายงานกับงานจําเพาะผู้ทากับทาจำเพาะปะตุ ป, ปจัจจัยทางทานทั้งสี่บุประชาชนซึ่งเป็นผู้มีความเชื่อความใส่ในท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอยู่มากที่จะสนับสนุนของเราผู้ตั้งใจ ป, ปฏิบัติดังที่ได้เห็นหมาแ ล, นแล้วเนี้ยราคาตกบุกคล้องอะไร นอกจากบกพร่องทางความภาคเพียนเรื่องมากเรื่องผลเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรบกพร่องในส่วนภายนอกที่เป็นเครื่องบ่งดูรักษาเราหรือเป็นปัจจัยสนับสนุนมีแต่บกพร่องอยู่ภายในตัวของเราเองเพราะหน้าที่ของเราบกพร่องการงานของเราบกพร่องความรู้ความฉลาดของเราบกพร่องผลที่จะเป็นที่พึงใจโดยลำหนักตั้งแต่ความสงบร่มเย็นภายในตัวเอง จนกระทั่งความสว่างกระจันทร์แจ้งภายจิตจังเพราะอํานาจของสติปัญญาอันเกิดขึ้นจากความภาคเพียรนั้นมันบกพร่องไปด้วยกันนี่ความบกพร่องมันตกอยู่ที่เราไม่ได้ตกอยู่ที่ประชาชนผู้ให้การสนับสนุนเราจะคิดอย่างไรเพื่จะเหมาะสมกับเราเป็นผู้ตัง้งนาต่างตา่างเพื่ปฏิบัติและพร้อมแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วไม่ทํามันก็ไม่เกิดตัวเพศนี้เป็นเพศที่พร้อมแล้ว ตัวเราที่ทรงเพศนี้พร้อมแล้วอย่างหน้าที่กันทำอะไรหรือทำไปแบบจับจดจด จ, จริงจริงคว่างควางสักแต่ว่าทำแล้วต้องการผลเลยเม็ดเลยนิพพานมันได้อย่างไรมันต้องคำานึงถึงเหตุเป็นสำคัญอะไรก็ตามอย่าลืมคำว่าพุทธังธรรมังสังขังสนังกษาี้ให้ติดแน่ปัจจัยเสมอทั้งฝ่ายเหตุฝ่ า, ผ, าผลเราจะไม่หลวนตัวไปทางที่ไม่ และจิตใจก็จะมีความขยันหมั่นเพียรเพราะทางเหตุพระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญมาแล้วไม่มีใครที่จะมีความเพียรกล้ายิ่งกว่าศากดาษสาวพวกท่านก็พาดําเนินมาแล้วเราได้เห็นในตำหนับ ต, บตําบาประวัดของพระสาวไปยังไงความเพียรของท่านล่ะนะท่านมีความเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงวุ่นวายกับโลกกับองคานอันใดบ้างเพราะท่านเคยผ่านมาเหมือน ก, นกันกับพวกเรานี้โลกท่านกบ ต้อเคยผ่านมาท่านเมื่อท่านมุ่งเข้าทางด้านอาจด้านธรรมแล้วท่านก็เอาจีนเอาจังเสรนได้รู้ถึงนมากผลที่ผ่านขึ้นมาพาราจิตใจจงไว้ดึวยความบริสุทธิ์อันเป็นบรมมาสุขเพราะเหตุคือการกตธทําสมบูรณ์ผลที่เกพึงได้รักก็ต้องสมบูรณ์แบบไปตามกันแยกกันไม่ได้ระหว่างเหตุกับผลพวกเราผลไม่ปรากฏ เพระเหตุมันบกบๆคล่องๆจริ ง, งไม่จับเนี่ยอย่าตำหนิที่อื่นให้ตำหนิเราการอรมสั่งสอนผมก็สอนเต็มภูมิของผมสำหรับพระที่มาอยู่อาศัยผมไม่เคยมีปิดบางลี้ลับเวลาเปิดจะเปิดอย่างเต็มที่ทั้งสายเหตุสายผลที่ตนได้ดาเนินมาอย่างไรทุกแง่ทุกมุมจนกระทั่งสุดความสามารถที่จะอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังได้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 เคยพูดให้ฟังจนปากเปียกแล้วยาคาดมักผลิทานว่าจะอยู่ในสถานทีนท่นั้นที่นี้การนั้นเวลานี้อยู่กับวัตถุอยู่กับเมฆกระบอกยินฟ้าอากาศต่างๆซึ่งเป็นเรื่องสมมุติทั้งมวลรอบตัวของเหล่านี้นับแต่ขันออกไปทั่วโลกกระถาดเต็มไปด้วยความสมมติทั้งนั้นมักผลิพานไม่อยู่ในสถานที่เหล่านั้นแต่อยู่ในวงสัจธรรมเป็นหลักประกันตัว รักเขาจะทําคืออะไรเขาจะทํำทั้งสิง้ทุกทุกกายทุกใจเร้ยอย่างว่าทุกทุกนี่เลยละขึ้นตั้งขึ้นว่าทุกขังอริยสัจจ์ทุกเป็นของจริงอันตรายเตอร์เนี่ยบอกไว้แล้วเปลี่ยนแรงประหยักนี้ไม่ได้เป็นความตายตัวที่จอปราศคือผู้โวยข้าที่ฉลาดียมผมทรงรู้แล้ว และทรงบัญญาติไว้ว่าทุกขังอริยสัจจ์ทราบว่ามีอยู่ในขันในจิตทุกเหล่านี้ทุกมีได้ทั้งทางกายและทางใจสมุทัยอริยสัจจ์สิ่งที่ผิดทุกขึ้นมาได้จากกิเลสประเภทหนึ่งที่ท่านให้ชื่อว่าสมุทัยแดนเกิดขึ้นแห่งทุกข์หรือเกิด ไม่ว่าทุกภายนอกภายในเกิดขึ้นมาจากใจเป็นสัมผัสใจแล้วทุกขกิดขึ้นมาถยกตัวอย่างมาเป็นย่อดๆว่ากามตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาสรุปความแล้วเรียกว่าอยากความอยากความหิวโหวยความไม่เพียงพอในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเครื่องสัมผัสซึ่งเคยลสัมผัสสัมพันธ์กันมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั้งบัดนี้ไม่ เคยมีความอิ่มพอเลยก็เพราะตัณหาตัวนี้แหละมันหิวมันอยากตลอดเลลวลานี่คือกิดเดตัวรบกวนที่สุดกินข้าวอิมนอนอ่มขนาดไหนนอนอิ่มขนาดไหนก็ยิ่งเป็นการเพิ่มพูนเสริมกําลังของพิดเดตให้กล้าแข็งขึ้นไปโดยลําดับให้มีความอยากความถยอทะยานมากขึ้นราคะตัณหาก็เพิ่มพูนขึ้นเพราะสิ่งนี้เป็นเครื่องกระหน่ำนี่แหละ ท่านเรียกว่าสัจธรรมประเภทหนึ่งทุกให้พึงทราบคุ่นง่ายๆให้ทราบอย่างถึงใจเวลานี้ทุกเกิดเอายกเป็นหลักปัจจุบันขึ้นมาว่าเวลานี้ทุกเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่กายเกิดขึ้นที่ใจชั่งโมทายเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่สังสารสัญญาความต้องขันนั้นหมายและเกิดขึ้นจากการรังบัดสัพมพันธ์จิต่างๆ ด้วยอรยตนะภายในัยและเกิดขึ้นโดยทางธรรมารมณ์ภายในใจโดยเฉพาะที่ได้เคยผ่านเรื่องอดีตเกี่ยวกับรูปเสียงกิริย์นึกเรื่องนั้นผ่านเรื่องต่างๆนั่นมาแล้วเอามาทุ่นคิดเป็นอารมณ์อยู่ภายในจิตใจเผารนตนอยู่ตลอดเว ล, ลาล้วนเป็นการสั่งสมเกเพื่อกองทุกข์ขึ้นโดยสม่ำเสมอไม่มีหยุดยั้งผ่อนคลายเลยคือสมุทัยตัว น, นี้นี่ท่านเรียกว่าสมุทัยให้พยายามละนั่นท่านบอก ทุกให้กำหนดรู้สมูทัยให้พยายามละการละสมูทัยจะละด้วยวิธีใดถ้าไมละด้วยมรรคมรรคคืออะไรก็คือสติปัญญาเป็นสาคัญสติปัญญาเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะละสมูทยัยวันสมูทัยให้ขาดสะบ้้นลงไปด้วยสติปัญญากามาตัญหามันชอบเรื่องอะไร คนดูตามเหตุตามผลที่มันไปชอบมันไปชอบรู ป, ร, ปรูปหญิงรูปชารูปพรัชรูปสิงของใดๆเอาคนดูให้เห็นชัดเจนมันเป็นจัดเป็นลุคนจริงๆหรือมันเป็นสิ่งที่น่ารักน่ารักค่าชอบใจอย่างหรืหอปัญญาคลีคลายลงไปให้มันเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วมันก็ถอยตัวเข้ามว่าทุกกําหนดรู้เอาเช่นตัวกเวทนาเกิดขึ้นในขณะนั่งภาวนานานก็ดี ทุกขเวทนาเกิดขึ้นด้วยโรคภัยแท้เจ็ตต่างๆคนหนึ่ทุกนี้มีสาเหตุเป็นที่เกิดขึ้ น, นค้นหาสาเหตุของทุก์มันมาจากไหนใครเป็นผู้สําคัญมั่นหมายใครเป็นผู้ไปแบกขามเรื่องทุก์ไปกว้านเอาทุกที่เกิดขึ้นภายในร่างกายนั้นเข้ามาเผารุ่นจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนกลายเป็นทุกสองทัานขึ้นมาถ้าไม่ใช่เจ้าสมุทัยสัญญาความสําคัญมั่นหมายนั่นแหละคือตัวการสมุทัย งานท่านถึงแยกให้แยกแยกออกให้เห็นตามเรื่องของมันซึ่งแต่ละอย่างละอย่างเป็นขันเท่านั้นขันแปลว่ากองหรือแปลว่าเมือแปลว่าผู้กองรู้กองเวทนาทุบชื้นเฉยกองสัญญาความจำได้หมายรู้กองสังขารคือความคิดความปรุงภายในจิตใจดีชั่วต่างๆกองวิญ ญ, ญาณ เกิดขึ้นในขณะที่สัมผัสกับสิ่งภายนอกแล้วดับไปในขณะที่สิ่งสัมผัสผ่านไปนี่มันเป็นกองเป็นกองแต่ละอย่างละอย่างนี่เป็นอาการออกมาจากใจรูปนี่ไม่ใช่ใจก็ตามแต่ใจก็เป็นเจ้าตัวการเป็นผู้รับผิดชอบนอกจากนั้นยังยึดถือเขานี้ด้วยเพราะอานาจแห่งสมุทรไทยมีกาลังกล้าสามารถยึดเอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟนี้ ไปเป็นตัวพังตัวอย่างแนบสนิทแต่ไม่ออกถ้าไม่นําสติปัญญาเขาไปคลี่คลายด้วยเห็นตามความเป็นจริงของมันือแล้วเราจะแยกจิตจากรูปกายของเรานี้ไม่ได้เวทนาก็เหมือนกันเวทนาเกิดขึ้นภายในร่างกายเราก็เลยเมาว่าเวทนานี้เป็นเราทุกก็เลยเป็นเราไปเสียะหาทางแยกจากกันไม่ได้เพราะมันมีสติปัญญาที่จะแยก เขาจะเรียกว่าเพียรละสมุทัยได้หรือเมื่อนําปัญติปัญญาเข้าไปคลี่คาดูทุกข์ให้มันเห็นจริงๆทุกทางกายก็ตามทุกทางใจก็ตามเอากําหนดดูทุกนี้มีรูปลักษณะอย่างไรเวลามันเป็นขึ้นมานี้รูปเขาว่าเขาเทุกข์นี่เขาว่าเขาเป็นเขาไหมเขาว่าเขาเป็นเขาเป็นเราไหมเขาว่าเป็นของเราไหม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 ทุกเป็นปืนเป็นไฟก็ยิก็เป็นเราเป็นของเราเราจึงคว้านตั้งแต่ปืนแต่ไฟก็มาเผาลวตนให้เกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์สองชั้นคือทุกข์ภายใใจเข้ามาอีกด้วยเหตุ น, นี้ท่านจึงให้แยกดูให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อได้เข้าใจเรื่องของทุกข์ด้วยปัญญาว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะสาเหตุอันใดถึงกับต้องกระทวนภายในจิตใจต้องเกิดขึ้นจากสมุทยัย ใจเป็นผู้ไปสําคัญใจเป็นผู้หมายทุกข์จึงจะเกิดขึ้นพายในจิตใจได้แม้ทุกข์จะเกิดขึ้นทางร่างกายจิตใจก็ต้องเดือดร้อนวุ่นวายเป็นความทุกข์ขึ้นมาขั้นหนึ่งเพราะอำนาจแห่งความสําคัญนั้นหมายว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นของเราว่าเราเป็นทุกข์ไม่อยากให้มันเป็นอยาก็ามันหายเสียเท่าไรความอยากนี้ก็ยิ่งเป็นการเสริมเพลิ่ขึ้นมาการปฏิบัติตามหลักท้องทัศนปัญญาหรือมรรคนั้นไม่ต้อง ไปอยากให้มันดับมันจะเกิดขึ้นมากน้อยให้รู้มันเรื่องทุกข์แต่ค้นสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างทุกข์นี้ไม่หอยถึงกระทั่งเป็นที่เข้าใจแล้วทุกข์มันก็ดับไปเองถึงทุกข์ไม่ดับความสําคัญมันหมายของสัญญาอารมณ์นั้นมันก็ดับทุกข์ก็เลยเป็นความจริงอันหนึ่งเด่นชัดอยู่ตามสภาพของตอนเพราะจิตเป็นผู้รู้เท่าความจริงในทุกข์นั้นด้วย ความจริงในตัวของตัวด้วยเดินไม่มีการกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันแม้ทุกจะไม่ดนักเกินขึ้นภายในร่างกายเช่นเจ็บไข้ได้อปวดมันก็ไม่สามารถที่จะไปทำความกระทบกระเทือนหรือซึมซาบกิตใจให้หวั่นไหวไปได้เลยนี่คือความเห็นทุกด้วยความจริงเห็นหัจธรรมเห็นอย่างนี้นและเห็นย้อนเข้ามาอีกก็คือว่าจิตเท่านั้นเป็นผู้ไปสําคัญมั่นหมายจิตเท่านั้นเป็นตัวทุก เพรจิตเป็นผู้สําคัญนั้นหมายจิตเป็นผู้ผิดที่เลวขึ้นมาความสาคัญนั้นหมายความยึดความถือต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของสมู่ไทยัยแล้วจะไปไหนผลจะต้องมาปรากฏที่จิตจิต จ, จึงต้องเป็นทุกข์นี่ตัวสาคัญจริงๆเห็นอริยสัจท่อยเห็นชัดๆที่นี่มากก็เลยพูดแล้ ว, วสัิปัญญาดับทุกข์หรือสมุทยัยหรือถอนสมุทยัยด้วยมา ทุก็เป็นอันดับไปพร้อมๆกันนิโรธไม่ต้องบอกที่ิยะแห่งความดับของทุกเพราะอํานาจของ อ, อำนาจเพอํานาจของมรรคที่ถอนสมูไทยได้นิโรธเป็นผลพอยได้ปรากฏขึ้นเป็นลําดับลําดาตามอํานาจของมรรคที่ตัดสมูไทยอันเป็นเหตุปิดทุกข์ได้มากน้อยเท่าไหรความดับทุกก็ปรากฏขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งดับอย่างทุกโดยราบคาบไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจเลย พระดับสมุทยโดยสิ้นเชิงภายในใจนั่นเรียว่านิโรธเต็มผุ่มพระสมุทัยเต็มผุ่มสติปัญญาเต็มผุ่มนิโรธก็เต็มผุ่มของกินทุกอย่างทุกสมุทัยร่วมกันิงตามส่วนของแต่ละอย่า ง, างไม่ถกไม่เสียงไม่ทะเลาะ ก, กันต่างอันต่างริงต่างอันต่างอยู่ ทุกมันเกิดขึ้นภายในร่างกายก็ยอมรับว่ามีเป็นเรือนของมันเขาก็อยู่เรานังอยู่ได้ทําไมเขาจะอยู่ไม่ได้เพราเกิดส่วนชะมูทายนั้นดับไม่มีเหลือเลยเพราะมรรตําราบตาปตามไปเรียบไม่มีเลยการจากทั้งหมดนี้กราวอยู่ในวงไหนที่จะให้เกิดมะขุ่นยุภาพกากราดอยู่ในวงสัจธรรม ทมที่กล่าวทั้งสี่ประเภทนี้มีอยู่กับเราหรือไม่ทุกก็บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทาั้งทางร่างกายและจิตใจทำไมเราเป็นนักปฏิบัติจึงไม่รู้เรื่องของทุกก็เป็นความจริงให้ประจักษ์ใจของเราบ้าง <H it> สติปัญญาเอามาต้มแกงกึนไม่ได้ถ้าไม่ใช้ให้ถูกกับฐานะที่ควรแก่สติปัญญาคือเอาไปพิพจารณาค่อวน ในกิตการต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งจิตไทยใหม่จิตละจิตถอนที่เหลืต้องถอดถอนด้วยสติด้วยปัญญาสติต้องเป็นเครื่องควบคุม ง, งานอยู่ตลอดเวลาละไม่ได้นี่เป็นจำเปันเอาที่เราเป็นนักปฏิบัติเราต้ม่เห็นจริงเห็นจังถ้าลงได้รู้พานจิตใจแล้วไม่มีวัน พูดได้อย่างเต็มปากพูดได้รู้แค่ไหนพูดได้อย่างเต็มปากอาฐานไม่สะทกสะทานก็คือผู้รู้ความจริงภายในตัวนี yeah. ่ดังพระพุทธเจ้าสัจจะรู้ทำแล้วทำเหล่านี้ไม่มีใครสามารถนำมาสอนโลกได้เลยแต่พระองค์สามารถนำมาสอนโลกได้ด้วยความองอาจกล้าหานเป็นอาถานก็เพราะทรงรู้จริงเห็นจริงพูดตามหลักความจริงจึงไม่มีการสะทกสถาน คามจริงแล้วลบไม่สูงธรรมะจึงมีมาจนกระทั่งถึงทุกวันหากว่าไม่มีคุณค่าเนื้อสิ่งทั้งหลายแล้วฐานนธรนทของพระเจ้าจะสาบสูญไปนานแล้วมา่มาถึงพวกเราให้เลยประพฤติปฏิบัติอยู่วลานี่เลยแล้วทำทั้งหมดนี้รวมลงอยู่ที่ไหนรวมลงอยู่ที่ถ้าจะทําทั้งสี่ทุกดับไปเพราะสมุทัยดับ มีกา ร, รมติฐานาภวานาวิภวตานหาเป็นต้นนี่คือสมุทยัยคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนในสิ่งที่สิ่งเหล่า น, นี้มันไปกล่ไปต้องการไปอยากดูให้เห็นชัดเจนความอยากมันก็ถอนตัวออกมาเท่านั้นเองมรคคืออะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปรเรื่องของปัญญาแนบสนิต สัมมาวาจาสัมมากัมมันตโตเอาย่นเข้ามาให้ถึงคท่านละเอียดของผู้ปฏิบัติการกล่าวชอบกล่าวสนทนาปราศัยกันเรื่องถอดเครื่องถอนที่เศษอาส ว, วัตไม่ได้กล่าวเรื่องโลกเรื่องของสารบ้านเมืองการบ้านกาันเองอย่างนั้นอย่างนี้นกล่าวเป็นเครื่องสมัมโมทยาคถาเครื่องรื่นเริงร เป็นคติตัวนใจซึ่งกันกรรกในการที่จะกาจัดที่เด็ดขาดสระออกจากจิตใจโดยลำดับชื่อว่าสัมมาวาจาใหลักธรรมท่านว่าสัมมาวาจาท่านอธิบายไปขึ้นดความกล่าวชอบกล่าวในสันเลขธรรมสิประการได้เคย อ, อธิบายให้ฟังแล้วสันเลขธรรมคืออะไรสันเลขแปลว่าทําเป็น เครื่องขัดกราวึกชรระที่เล็กยึบปราบปรามที่เล็กพูดกันถึงเรื่องวิธีการปราบปรามที่เล็ก mm. เรียกว่าสันเลกาธรรมมีสิบประการคืออัพิชาตาความมากน้อย mm. <c oughs> สันโดดลดกันรองกันลงมาความยิ่งดีตามจะมีตามเกิดแห่งปัจจัยทานทั้งหลาย อาังสคกนิกาวิเวกตาชอบวิเวกสงัดอาังสคกนิกาไม่คุกคีดไม่มูด้วยคณะสัญหาเรื่อเวลาไม่ได้วิริยาลัมพาประกอบความเพียรอยู่โดยมสม่ำเสมอในเอียบทต่างๆไม่ประมาทนอนใจศีลรักษาให้มีความบริสุทธิ์หมดจดอยู่เสมอเพราะศีลเป็นสมบัติของข้าโดยแท้สมาธิพยายามอบรมให้เกิดให้มีขึ้นให้มีกิจใจเยือกเย็น เห็นผลประจักษ์เพราะการบำเพ็ญสมาธิภาวนาเป็นขัขข้นๆไปปัญญาคือการคลี่คลายความเฉลียวฉลาดของตนออกตรวจจ้าสิ่งทั้งหลายที่ควรแก่ปัญญานั้นให้เข้าใจมีตรลักณเป็นสำคัญ เ, เมื่อเต็มภูมิแล้วก็เป็นวิมุตวิมุติยาทัศนะนีษษะ่สิบข้อด้วยกันนี่คือสันเลขาธรรมท่านถ้ากล่าวให้กล่าวอย่างนี้เป็น สมโมใช้นยมกถาเครื่องรื่นเดิมซึ่งกันในการสัมมากรมมันตะการงานชอบการในงานในที่แค่ไหนเรียกว่าชอบสําหรับนักปฏิบัติงานคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี้แหละคืองานชอบยิ่งงานชอบนี้เป็นไปเพื่อขดถอดนกิเลสงานอย่างอื่นถึงจะชอบก็าตามแต่มันเป็นความกังวลวายกลายเป็นเรื่องส่งเสริมรกิเลสสังสมกิเลสขึ้นมา โดยนมารู้สึกตัวเพราะฉะนั้นผู้ที่ชอบประกอบการงานต่างๆในเรื่องภายนอกก่อสั้างนั้นก่อสั้ง น, น, งนี้จึงทายได้เลยโดยไม่สงสัยว่านั้นคือตั้งใจสั่งสมกิเลสนํำกิเลสเข้ามาสังหารธรรมภายใ น, ยในใจิตใจหากนี้อยู่แล้วก็ให้ทิพย์หายไปหมดหากไม่มีก็ให้เตียงโล่งไปหมดเลยจิตทั้งดวงไม่ให้มีธรรมภายในใจนั้นนะจึงไม่เรียกว่างานชอบในธรรมขั้นละเอียดในธรรมของผู้ปฏิบัติ เนี่ยสัมมากัมพันธ์สัมมาวายามะเพียนชอบเพียนในที่ศีรษฐานท่านก็ บ, บอกไว้แล้วพอพอเข้าใจอันนพยายามทั้งรวนระวังบาปให้เกิดขึ้นอะไรบาปคือความเศร้าหมองของใจเน่จ ะ, จะ น, านํามาจนโทเกะพยายามละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเกิด ห, หมดตายหมดตายไปพยายามสรงสมความดีนิ้ ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นได้รักษามีความจริงทางสาวน้อย ย, ยื่นี้เจริญบุญเบื้องไปเดินดักมันก็ว่าไปไงสมาวายมะมาสมาสติตั้งสติไว้ชอบก็ตั้งไว้ในสัจธรรมทั้งสี่ในสติปัฏฐานสี่นี่นี่จะเป็นอาการใดก็ตามเรียกว่าตั้งสติไว้ชอบตรงนี้สมาสมาธิเป็นสมาธิที่ชอบ มันใช่เป็นสมาธิที่ผ่านผลโลดเต้นไปเกี่ยวดูเมืองนรกเมืองสวรรค์เห็นเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นอัดเป็นธรรมเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นโดยความเจ็ดสันต์ยอของตัวเองซึ่งความกินแล้วไม่ถูกต้องดังนี้ไม่เรียกว่าเป็นสมาสมาธิเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องคือความสงบเย็นของใจนี่เป็นพื้นฐานใงสมาธิอันถูกต้องแต่มันก็หมดแล้ว พูดถึงเรื่องมรรคนี่แหละเป็นเครื่องสังหารกิเลสประเภทต่างๆหมดมาจากจิตใจของเราจิตปกติมีการหมุนตัวอยู่เพื่อการสังสมกิเลสเพราะกิเลสที่เป็นพื้นของจิตที่บังคับจิตมีอยู่ภายใ น, ในได้แก่อวิชชาปฏิยาสังขาราอวิชชานั้นมันบังคับมันผลักให้สังขาตรตึงขึ้นมาได้ด้วย ปรุงเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาอัสวะเรื่องจะปรุงเป็นอัตเป็นธรรมไม่มีทางสําหรับอวิชาพาให้ปรุงนอกจากธรรมพาให้ปรุงซึ่งเราต้องบังคับในขั้นเริ่มแรกต้องบังคับปรุงสังขารให้เป็นเป็นธรรมขึ้นมาก็เป็นมากได้สังขารฝ่ายสมุทยัยก็คือสังขารที่คิดไปเรื่องของจากการสังสมกิเลสเรียบกว่าสังขารที่เป็นสมุทยัยสังขารที่เป็นมากก็คือปรุงแต่งคิดอ่านแต่ต้องต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องอัดเรื่องทำเพื่อการถอนถอนที่เหลืออัตราประเภทต่างๆนี่เรียวกว่าเป็นสังขารฝ่ายมากแน่มันก็อยู่ที่ใจนี้ทั้งนั้นทำไมจึงไม่ได้เรื่องด้วยลาภาวนาไม่เอาจริงเอาจังอะไรบ้างเหนอยิ่งกว่าการหลับการนอนความที่เกียรตอ่อนแอแล้วเราจะหาความทักจิตวิเดชภายในจิตใจมันได้ยังไเมื่อสิ่งที่เราเป็นไปอยู่ เราติดใจหรือแนบกับใจของเราอยู่อย่างสนิทก็คือความขี้เกียจอ่อนแอมากง่ายความไม่เอาไหนอันนี้เหลือเป็นทางเพื่อบุเบิกมรรคผลยุภานถ้าถึงอันนี้มีแล้วศาสตว์โลกและบรรลุมรรคผลยุภานกันหมดไม่ต้องมาใช้ความพยายามด้วยความอดความพนความภาคความเพียรอะไรกันเลยแต่การพยายามนี้ก็เพราะว่านี้เป็นทางบุเบิกที่เด็อดสนหาสำหรับเพื่อความบุบพลต้องทําให้จริงให้จัง อย่นอนใจรู้ศาสนาแค่พอทุกวันทุกวันนะจะว่าไม่บอกครูอาจารย์ที่จะรู้ทั้งเหตุทั้งผลมีความ ช, นชนานิชานาญในทางบําเพ็ญเหตุและผลที่จะนํามาอบรมสั่งสอนพอเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราทุกวันนี้มีน้อยขั้นโดยลําดับลำดั บ, ดบต่อไปก็จะเป็นว่าเชื่อขาดดุโบนาการาศลมพัดต่นไหนก็ติวไปตามลง เลยหากฎหาเกณไม่ได้ควรจะตักตวงเสียเวลาที่ควรอย่างนี้เขาจะเข้าใจว่าผู้มีกิจเป็นหลักเป็นเกณฑ์ของพระสงฆ์นี่มีจํานวนมากนะไม่มากเรานับก็ได้นับรายองค์องค์ของพระที่จะเป็นคติเป็นเครื่องยึดจิตของจิตใจทั้งป่าตอมาคุยปฏิบัติทุกแง่ทุกมุมและผลที่จะเป็นได้ละ มีไม่มากและยิ่งเท่าแก่ไปโดยลาดับลหนับด้วยหากาเราไม่พยายามตัดจวงเสียเจริญนี้ซึ่งเป็นการควรอยู่แล้วเราจะไปหวังพึ่งใครเวลานี้เรามาหวังพึ่งครูพึ่งอาจารย์ในอุบายต่างๆเพราะตนไม่สามารถเมื่อได้รับการพึ่งพิงได้รับการอบรมกัง สอนอบรมจากท่านแล้วเราก็นบบําไปพึ้ปฏิบตัติเพื่อให้เป็นผลขึ้นมาภายในจิจตใจข้างตน้นให้มีความอบอุ่นเย็นใจอย่างน้อยคือสมาธิจากนั้นให้ใช้ปัญญาพิจารณาคลี่คาลงไปคําว่าปัญญาเนี่กว้างขวางมากจึไม่อาจที่จะแสดงลงในแง่ใดแง่หนึ่งหรือ ท, ทั่วไปได้โดยที่ให้ถูกกระดิดนิสัยของทุกๆ ท, ท่านไปนอกจากรายใดมีความแยบคายทางปัญญาได้พิจารณารู้เห็นในสิ่งใด อาการใดของธาตุของขันธ์เหล่านี้มาเล่าให้ฟังว่าขัดข้องตรงไหนนั้นมีทางที่จะอธิบายให้ฟังได้ทันทีเพราะเป็นช่องเป็นจุดที่ต้องการอยู่แล้วอ๋อขัดข้องจุดนี้เลยนั่นอธิบายให้ฟังทันทีอธิบายโดยกว้างๆมันลำบากดังที่เคยพูดแล้วนี้เอาต่อไปนี้ขอให้ท่านเป็นดาอธิบายเรื่องนี้